ท่านผู้เป็นอากันตุกะทั้งหลายแห่บรรดาที่ไปชุมกันอยู่ใ น, นที่นี้วันนี้เป็นโอกาสกในกาหนดไว้สําหรับจะมีการพูดคากันในบะงัอื่นมาพร้อมกันหลายระดับเป็นชนชั้นทางจิตใจทางวิญญาณก็จะต้องพูดทิดที่มีประโยชน์ทุ่เกี่ยวข้องด้วยทุกระดับจึงจะได้ถ้าพูดถึงระดับตามระดับเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ก็สนใจฟังือโดยถือความหมายที่มันสูงกว่านั้น <c oughs> หรือว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องของวัยเด็กรุ่นเด็กสําหรับเด็กเพราะมันก็ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้ถ้ามีประโยชน์น้อยเกินไปก็ได้ <c oughs> ไปคุ้มค่ามา <c oughs> จึงขอให้ทุกคนในเด็กคน็กที่สุดก็พยายามฟังใดีฟังมาให้ได้ถึงจะสู้ไว้ไว้กัลักไปเลย แต่หมดปัญหาเดี๋ยวนี้เราม่นัง่งกลางดิน <c oughs> ข้อแรกที่สุดก็อยากเจ้พูดเรื่องการดินแล้วก็เชื่อว่าหลายคนทีเดียวยังไม่รู้ความหมายของคำว่ากลางดินแล้วก็มีความรู้สึกคิดนึกในนิตย์ไม่ชอบนั่งกลางดินเจ้นั่งบนที่จัดตกแต่งไว้ <c oughs> อย่างที่เคยนั่งมันเคยชินเป็นนิสัยแล้วเพาะนั้นนั่งกลางดินความรู้สึกก็เป็นพัน ลดอะไรนมาทีเดียวข้อมุดงิดเี้ยก่อนแล้วก็ฟังในรู้เรื่องแน่นอนนะพูดเรื่องนางกลางดินเนี่ยให้มดปัญหาไปไทีก่อนโดยถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้นั่งกลางดินมาที่สวนโม่กมีอกานั่งกลางดินถ้าไปที่อื่นจจะไม่นั่งโดยไปนั่งธนาคารดินทีนี้เรามีที่นั่งกลาดินว่าสาหรับให้นั่งดยเจตนาเนี่ยเจตนาไดมีที่นั่งกลางดินให้ฉังทั้งหลายนั่งกลางดินรูปการมายกันนั่งกลางดิน ให้ดีใ้มีจิตใจข่าผลได้กาเรียนั่งกลางดินก็จะได้รับประโยชน์จากการฝังธรรมะหรือระพุทธศาสนาเขาพูดคาเดียวหมดก็พดว่าพุทธศาสนาเกิดลางดินเปิดจากดินพระพุทธเจ้าประรลางดินพระพุทธเจ้าระเสริรู้กลางดินนั่งางดินประเสริฐสรู้ไม่ได้ปาะสรูในมรรมิตรยาลันถ้าประสริรูในมรรคิตยารันก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่ตนเป็นอยู่ยงมีท่านนั่งลางดินประสริรูางดิน เราก็มีโอกาสไปเที่ยวสังซ้อนบนน้ำตาลดินที่ดูอาศัยของท่านกับพื้นดินเม็นอาิตุภะอนิพานคือตายอย่างกลางดินมนึกถึงกรนีก่อนเลก็เกิดกางดินัตรู้กลางดินซ้อนกลางดินอยู่กลางดินตากดินถ้าได้ดที่ป็้อนทั้งหมดก็เกิดมาจากดินเกิดมาจากนั่งกลางดินและกัตตารแล้วก็ได้ซอนตดต่อกันมาแล้วเป็นที่เชื่อได้ว่าทำนั่งคนไปเาื่อยๆหลายร้องคนั่งกลางดินไปดูที่อินเดียรนชินนั่งกลางกาดินตรงหน้าทนี่มันเป็นเรื่องของกางดินที่นี่มองง่ายหนึ่ง ธรรมมี่นเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความรู้เรื่องในธรรมชาติก็มีเป็นความรู้เรื่องกฎของธรรมชาติก็มีเป็นความรู้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็มีเรื่องคนที่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยตรงที่ทำาคือเรื่องธรรมชาติถ้อยากจะรู้จักหรือเข้าถึงธรรมชาติต้องอยู่กับธรรมชาติดังนั้นพระุทเจ้าจึงกระสูดกลางดินกระสู้กางดินตอดกลางดินอยู่กางดินตายกลางดินเพื่อคลายชิดกับธรรมชาติแต่นี้เราให้ต้องการอย่างนั้นดูเองแล้วกัน ใครกี่คนจะอยากนั่งกลางดินใคอยากจะไปนั่งในสถานสวยงามเรืองรม้ายต่างๆหรือว่าอยากจะไปอยู่บนสวรรค์พิมา น, น, นที่มัน ม, สสมนีความหมายอย่างสวรรค์พิมันถ้าไม่ชอบธรรมชาติไม่ชอบการนั่งการดินเพื่อเป็นเพลิกับธรรมชาติที่นี้มันนั่งการดินอย่างนี้แลก็คนจะรู้สึกว่ามาเป็นเพลิดับธรรมชาติเมื่อยู่กับธรรมชาติจิตใจมันเหมาะสมจิตใจรู้จักธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของธรรมะทั้งหลายเกี่ยวกับธรรมชาตินี่จึง ควรจะสนใจเรื่องดังดินเดินยวนี้ก็ไม่ได้มันั่งดังดินเขาทำในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประสูติดังดินศัตรูดังดินสอนดังดินอยู่กลางดินตายกลาดินถ้าทาได้ก็เป็นพุทธานุสติซึ่งเป็นธรรมฐานชนิดหนึ่งอย่างยิ่งในพุทธานุสติจะลึกนึกถึงพระพุทเจ้าโดยทุกแง่ทุกมุมเดี๋ยวนี้มากกว่าลึกถึงแลรู้สึกรู้สึกรู้สึกเขาได้เมื่อเมื่อดูดังดินมืนนั่งดดินนั้นจิตใจรู้สึกอย่างไรเมื่อฟุ่งอยู่ที่กรุงเทพใมจิเป็นอย่างไรที น่าจะมันนั่งกางดินอย่างนี้จิตใจมันเป็นอย่างไรถ้าสามารถเปรียบเทียบกันได้นั่นแหละจะเป็นกรรมมัดฐานถึงพุทธานุสติว่าพระพุทธเจ้ชชาท่านมีจิตใจเป็นอย่างไรมันก็นจะพลอยให้ในรูปไปถึงการตัดสรูของรพระองค์รูถึงสิ่งที่พระพองค์ด้ตัดสรูนกาจะสามารถนำเอาไม่ใช่เป็นประโยชน์ได้เนี่ยเป็นเรื่องของคนนั่งกางดินมันไม่ใช่เรื่องของคนที่จะอยู่ร้าสนุกสนานอยู่บนที่ที่สำหรับสนุกสนานไม่ใช่เรื่องของคนโม่ตามแบบของคนหนุ่มที่สำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัย ไม่ได้เสนอการศึกษามาจากกลางดินเหมือนพระพุทเจ้าจยังไงยังไงก็ต้องเปรียบแล้ววันนี้คนที่ศึกษามาจากกลางดินกับที่ศึกษามาจากมหาวิทยาลายัยนั่นแหะมันรู้อะไรต่างกันอย่างไรอย่าลาเอียงอย่าข้ามขั้งตัวอย่าอะไรหมดแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันดูเรื่องที่เราศึกษาจากโรงเรียนวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัย ม, มันเรื่องอะไรมันเพื่ออะไรและในที่สุดมันให้ผลอย่างไร <c oughs> ทีนี้เรจะมาศึกษาเรื่องกลางดินเรื่องที่เกิดขึ้นกลางดิน อย่างพระพุทธเจ้าเราจะรู้มาเป็นมาอย่างนี้จากธรชาทั้งหลายอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรทำไมจริงต้องมศึกษาเรื่องพิชาความรู้มันที่เกิดขึ้นจากการศึกษากลางดินของพระพุทธเจ้าหรือของสาวาทั้งหลาย <c oughs> ทำไมจริงต้องมาศึกษาความรู้ที่นี้เมื่อยุติอยู่เขียงกายศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นปริญญาเอกเป็นอะไรแล้วมันก็พอกันทำไมจึงไม่คิดอย่างนั้น <c oughs> เรื่อง น, นี้นการดั่งกลางดินนี่แหละเขาทําในใจดีว่าคิดต้องที่นั่งกลางดิน ก็คนที่นั่งอยู่บรรยาบนเรือนบนในสิบลักก like ้าดาก็แพงบนอาคารแม้บนอาคารเรียนราคาล้านๆนี่นะนันงอยู่บนนั่นจิตใจเป็นอย่างไรถึงก็นั่งอยู่กลางดินอย่างนี้จิตใจเป็นอย่างไรลองเสียที่ย์มันดูโดยหลักตัวตัวไปที่นี้อยู่ว่าจิตใจนั้นจะเย็นกว่าจิตใจนั้นจะเป็นอิสระกว่าจิตใจนั้นจะรู้ธรรมชาติได้จริงกว่านี้เป็นต้นเพราะในที่สุดเราจะรู้ได้ว่าความรู้อะไรที่เรายังขาดอยู่หรือที่มันนึกมันยังขาดอยู่เรื่องาจัการที่ความเลวร้ายในโลกมันยังมีอยู่เพียงอะไร ก็เป <là> ็กล่าวได้ว่ามันขาดความรู้ที่ควรจะรู้อยู่พินพนั้นทั่วโลกการศึกษาทั่วทั้งโลกมันไม่กระจายความเร็วไในโลกออกไปได้เพราะการศึกษานั้มันขาดความรู้ที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับกากระจายความเร็วไรหลังนั้นมันจะนึกได้อย่างนี้แต่วิ่งบนการบินวิ่งนมันนั่การบินสใจเรื่องการบินของกุฎเจ้านันเป็นว่าเรื่องแรกที่สุดหรือเรื่องนันการบินนฐนะที่มีชินนัการบินเป็นเครื่องต้อนรับท่านทั้งหลายเม่ีดอนนั่นไม่มีรั่ไม่มีอะไรหน่งมีแการบินเห็นมั การับในทางวัตถุในทางอาวิธเนี่ยตามสุดเลยไม่มีอะไรต่ําว่านี้เราเรามีหลักว่าอยู่ตา่ตาๆแล้วมันจะไปสูงถ้าอยู่สูงแ้วมันจะมีแต่จะตกลงมาต่ามัม่นเป็นอยู่อย่างตา่าเนี่ยมันจะได้มีการกระทําเหมือนการเป็นไปอย่างสูสูสสูขึ้นไปให้ <c oughs> จงหวะก่นอนการศึกษาด้วยการนั่งกลางดินเพื <c oughs> ่อว่าจะได้รูจ้จักพื้นฐานหรือหลักฐานตามสุดของสิ่งท่องฟูนั่นก็จะได้รู้กันต่อไปเป็นการลำดับตามลำดับอย่าหาว่าถ้าไทย แต่ก็อยากจะพูดว่ามันเรียนกนจบปริญญาเองในโลกทั้งโลกแล้วมันก็ยังโงภนั่นแหละถ้ามันไม่ได้นัางกางดินมันค่อยมานั่งกลางดินเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้กฎของธรรมชาติหน้าที่ทางกฎของธรรมชาติคนที่เกิดจากหน้าที่ทางกฎของธรรมชาติมันก็เห็นด้วยในการมากของท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้โดยเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่ามันขาดความรู้ชนิดกลางดินจึงต้องมาที่นี่มันก็มานั่งกลางดินเป็นเกลือธรรมชาติเป็นเกลือกต้นไม้ต้นไม้ก้อนหินดินทรายเหล่านี้ ซึ่งรุ่นแต่สอนดางนั้นแต่คนมันหูหนวกตาบอดจะเองมันไม่ได้ยินว่าธรรมชาติสอนอย่างไรธรรมชาติทั้งหลายนั่นเนี่ยมันสอนแสดงความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นนิจจังไม่เที่ยงเ ป, ปลี่ยนแปลงให้ดูด้วยเปลนแปลงดูด้วยไอ้คนตาบอดมันก็ไม่เห็นในความไม่เที่ยงออนิจจั ง, งสทั้ ง, ทงหลายทาั้งปวงที่มันทรงเสียงรง่ำจะโจรเป็นไม่เทียเนนเ่ยงเปลี่ยนแปลงอย่าหลงไหลกันนักอย่าบ้ากันนักอย่างนี้เป็นต้นทุคนมันก็ไม่ได้ยินมันก็ยังหลงไหลกันอยู่นั่นแหละแล้วมันจ้ ดิ่งเรียนมึงก็ดิ่งไม่รู้เรื่องนี้เข่ามันไม่ได้เรียนเรื่องนี้การเรในโลกมันไม่ได้เรียนเรื่องอรจังทุกทั้งนัตาเห็นสิงทั้งหลายทั้งวตามที่เป็นจริงม่เรียนแต่เรื่องแ่สร้างน่ร้างน่ทำนั้นนี้กินอยู่เป็นอยู่กันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยเรียนคาว่าจัทุกคั้งนตตาไม่ระบบการศึกษาของคนในโลกทั้งสูงสุดทั้งสูงสุดเาภาปาเมืองาเมืองนาเียจแรกมันเรีนคว่าอนัตตาจัเป็นต้น จึงเป็นการสมควรที่ว่าจะต้องเรียนศึกษาเรื่องที่กําลังขาดอยู่กำลังขาดอยู่ที่ ม, ทมีเคยยินที่มีเคยยินได้ฟังมันก็จะได้ยนเรื่องนี้จังทุกคังอนัตตาเป็นเรื่องความริ่งของธรรมชา ต, ติธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันแสดงอาการอย่างนั้นเห็นอยู่แต่ใครคาดกามันตะโกนบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เข้ใจมันก็ทําไปในการที่มันตรงข้ามกลับตรงกันข้ามอย่างที่ทําอยู่เดียดนี่ไม่ทําอย่างก็ว่า เป็นนิจจำเป็นของเที่ยงได้อย่างต้องการเป็นสุขไม่ไเป็นทุกข์แวเป็นอัตตาคือได้ถึงตัวกูได้เป็นของูตามที่คูต้องการคามคิดไม่รู้สึกอยู่แต่อย่างนี้เพราะไม่ไดเรียนในความรู้ที่เป็นเรื่องจริงของธรรมชาติอย่างที่เราเป็นเจ้าได้จัดสรู้แล้วก็ได้นำมาสอนเมไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งของครูนี่เป็นอย่างไรชีวิตจิตใจเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติผิดต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยยิ่งโตขึ้น้ายิ่งโง่ยิ่งโตขึ้นมายิ่งโง่ยิ่งเปิดจากพ่อแม่ย ยิ่งล้มหรือยิ่งทำผิดในสิ่งต่างคๆที่เป็นอนิจจังครั้งนันมาแม้พูดเรื่องเล็กกันทีก่อนถ้าเล็กเกินกะฟังบ้างก็จะดีจะมีประโยชน์ถ้ามอยู่ในท้องแม่คิดอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่รู้จักความหมายของความทุกข์แล้วก็ไม่มีกิเลสไม่มีความผิดไม่มีความฟูไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่มีอะไรอยู่ในท้องแม่เพราะว่าอวิญญาต่างๆท้องแล่ทารกที่ยังไม่เป็นไม่เปนทารกนะแรกเป็นจัดอยู่ในคันควาแรกไม่มีทางที่จะรู้สึกคันอะไรได้เลย ให้องใาเจะโต้ของมันจะทอดจากข้างแม่อวัยวะต่างๆกระโดดของงานได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ถึงกับคิดนึกให้เป็นจิเลสได้เด็กทอดมาจากท่างแม่ตาก็เห็นได้หูก็ได้ยินได้จมูกก็ได้ผินได้ริมปลารู้รับได้ทิ้วนางรู้สัมผัสได้จิตก็พอรู้สึกได้แต่ยังไม่ได้คิดคิดไม่เป็นคิดไม่ได้คิดเป็นกิเลสเป็นทุกไม่ได้เป็นความดีความชั่วไม่ได้ไม่รู้จักความดีความชั่วเนี่ยเดคกขาลอกถมาไม่รู้จักว่าดีว่าชั่วเด็กถอดมาแล้วเนี่ย เวลา ล, มาลงมาลงมาตารู้จะมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันคันนาที่ได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนตารู้จักของสวยของไหม่สวยจนหูรู้จกักของไพเราะหรือไม่ไพเราะจมูก ร, รู้จักสินพร้อมหรือไม่พร้อมลิ้นรู้จักรสอร่อยห ร, ร, ร, รือไม่อร่อยยูนั้นรู้จกักความนิ่มนวลหรือความแข็งกระด้างจิตมีการรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจออกมาในแต่ละวันหลายพันหรือหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อแฉจึงจะค่อยๆมีความรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วก็ค่ยคอยๆมีความคิดนึกที่เป็นกิเลสและเป็นปุ๊ก มันร sí ู้จักพอใจแล้วไม่พอใจถึงมาแต่ก็มาใหม่ใไม่รู้จักพอใจไม่พอใจกินดีดีได้ยแล้ไม่รู้แต่แล้วก็ค่อยๆรู้ก็ค่รู้ถึงมาก็รู้รู้เรื่องอะไรไม่อะไรกินนมแม่หรือพี่นอยได้แล้วก็ค่อยรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันรู้จักแยกแยะออกเป็นความรู้สึกสองฝ่ายคือน่ารักไม่น่ารักน่ากินดีไม่น่ากินดีเนี่มันก็หลงรักหรือหลงไม่รักหรือหลงกินดีหรือหลงไม่กินดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งยิโตยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งโ พอใจไม่พอใจรู้ว่าบ wow ้านบ้านงความรู้สึกานี uh uh ้มีขึ้นมีขึ้นดโตยิ่งโง่เด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ยิ่งโง่คือมันยิ่งหลงรักหหลงเกลียดมากกว่าแต่ก่อนที่เพียงคนวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นจะรู้จักรู้จเองพอใจไม่พอใจงรักงกมากกว่าเด็กใทรกที่คนหนุ่มสาวมัยิ่งรู้จักมากเต็มขีดเต็มตราจะรู้จักพอใจหรือไม่พอใจหลงรักหรือหลงเกลียดหรือหลงโกรธหรือหลงกัวหรือหลงในวิธีกากวนอะไรอาวรอาฆาติชายสยามมันยิ้ เป็นเรื่องที่บ้าไม่เร <us> ียกว่าดาวแต่มันเหมือนกับดาวมันรู้สึกขึ้นเองตามธรรมชาติว่าอร่อยชอบใชไม่อร่อยก็ไม่ชอบใช่มรู้จักแยกแยะเป็นอร่อยหรือเป็นไม่อร่อยจะมันแยกแยกหมดตางๆคนรู้จักแยกแเป็นสวยหรือไม่สวยได้รับกาอบรมให้งงมากขึ้นอีกสวยอย่างพี่ถพันโดวงนั้มีต่างหานี่ทางหูไ่รอดหรือไม่ไ่รอด้นกันมาตั้งแต่แรกคนรู้จักแยกเป็นเสียงอย่างนั้นเป็นสียงอย่างน้พ่รอมันไพ่รอดมันรู้จักรักที่ไพ่รอดเก็บที่มันใช่ไม่ไพ่รอดใจมันก็ แ็งกระด้านเนี่รู้สึกลงมไสยเป็นทางฝ่ายหนึ่งก็เกลีทางในทางฝ่ายหนึ่งทางจิตก็เป็นการพอใจะไม่พอใจแรงขึ้นแรงขึ้ น, นยิย่งโตยิงโง่ยิ่งโตยิงโง่เพราะว่าความรุ่มลงของคนที่โตแล้วมันมากกว่าเด็กๆนะดดีไอ้คาเป็นรุ่มลงเ่รักหเกลียดโกรธัน็ตาคานที่โตแล้วมันมากกว่าคนเด็กๆนี่มันมากขึ้นตามตัวมันจยิ่งโตยิ่งโง่งการเป็นคนโตเต็มนาเนี่ยสาหรับจะรู้สึกรุนแรงในทางเรื่องรักเรื่องโกรธเร เป็นคนนอนหลับยากยิ่งอายุมากขึ้วันยิ่งมีความรู้สึกรุนแรงมจะเป็นคนนอนหลับยากก็ตายความลงมันก็ไม่เลบกับจิตชนิดที่มันเตี้ยงชนิดที่มันเตี้ยจิตที่ไม่รักไม่โกรธไม่เบียดไม่กลัวไม่มีตกังวลไม่อาลัยอาวรณ์ไม่จายพยายามไม่ห่วงไม่ใช่างๆไม่เคยพบไม่เคยพบตรงนี้อาจะต้องดู้ดีว่าเราเคยเรียนพุทธศาสนาทาไมเรียนธรรมะถ้าเราไม่เคยพบกับจิตชนิดที่เตี้ยนที่ว่างที่เย็นอิสระเราไปพบกแต่จิตที่อย่างที่ว่าีรักเราเบียดกลัว เราร้อนลูกศก็กระมมืเป็นเป็นพิตไปแล้ ว, ว, วก็เป็นอิสระก็เป็นธาตุนะของสิ่งที่มากระทบมันก็จะงไม่ถูกก็เป็นธาตุของสิ่งที่มากระทบถ้ามันมากระทบกรรักก็เป็นธาตุอย่างเป็นของรักถ้ามันกระทบให้โกรธให้กลัวก็เป็นธาตุอย่างตระกโกรธตระหนับตัวตกลงไปไม่ได้กงเป็นธาตุนี่จึงเป็นธาตุของสิ่งที่ทาให้รักโกรธจิตัววิาตงกังวอะไรอวันไม่มีอิสระาตเป็นเสรีธาตุจิตตเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นเป็นมีความถูก กระแสสิทธิภาพทางเอกราชทางการเมืองมันมเสรีภาพทางการดำนอกมันเป็นเรื่องที่ว่าเเองส่วนที่เป oh. ็นชาตอย่างยิ่งอยู่ในภายในเป็นชาติของกิเลสอะไรก็ไม่รู้จักเลี้ยงกันยังไงถ้างกันอย่างต่อไปก็ได้กันตายลงก็ได้จะเป็นคนทำดาบเรียกว่าเป็นบุคุลชนเห็นแต่ถ้าเป็นคนลืมหูลืมตาตามแบบของพรอริยเจ้าหรือกองทัพเจ้าแล้วมันต้องมาศึกษากันใหม่ศึกษาจนรู้ว่าที่มันอยู่ในลักษณะนี้จนถึขั้นหมดมีจิตใจเราล่อมโดยความทุกข์มีจิตใจนิบวไปโด้อวชา มีจิจต ป, ปลเลยเลมีจิตใจเป็นธ า, า, าตุเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งที่มันจะเกิดมาสวยเกดิมเกดมารวยเกิดมเป็นอย่างไรก็ตามมันจะมีชักบังบัตร ส, สถานมันจะแข่งกับพกเทวดาได้มันไปยังมีจิใใ uri, ต อ, Alfred อย่างนี้ไปดูนธรรมดาเถอะมันจะมีจิตกเยดัต่อการบุอะไรอาวุชาติอย่างนี้มันก็มีจิตใจตทิร่อนหมุดม่นเป็นธาของอารมณ์เป็นธาตุของอารมณ์ทาตองตาทางหูทางจทางลมทางการทางใจแล้วมันก็ได้ทะเลาะวิวาทข้าฟัน อันธพาลทั้งหลายที่มันทำอันธพาลเรื่อยๆก็มันลงมในสิ่งเหล่านี้หรืออันธพาลครอบโลกรบกันระหว่างโลกระหว่างชาติระหว่างโลกมันก็เพราะว่ามันลงมในการที่มันจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นของตนได้หมดทั้งโลกในความโง่คอคนกากด้ยที่เขทําให้โลกนี้ปันป่วนวิตรดไปทั้งโลกเราก็อยู่ในโลกชนิดนั้นเราไม่ต้องรู้สึกสำนึกเราไม่มีคามคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะคนออกมาเสจากโลกชนิดนั้นี่ถ้าใครต้องการเพออกมาเจากโลกชนนั้นนั่นแหละแล้วจะเกิดความต้องการความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่สวงหาธรรมะ ซึ่งเป็นการแตรู้ความคุ้นใจมาศึกษามันทำติดใจการเสียใหม่ยาให้มันเลวร้ายถึงขนาดนั้นยาใมันโง่ถึงขนาดนั้นยาใมันคูกถึงขนาดนั้นยาให้มันดาร้อนถึงขนาดนั้นยามันมุดมัวถึงขนาดนั้นเป็นชีวิตจะเป็นอิสระสบายแล้วนี่มนุษย์จะแต่เรื่องทางข้างนอกเรื่องเสรีภาพยางโลกโลกแต่ความเป็นชาติยางเลวร้ายข้างในยังไม่สนใจเลยเสรีเสรภาพรัชบุรีถึงข้างนอกแล้วพูดกันใหญ่โตนรอบเป็นเมันมันสมวนสิทธิมนุษย์จะชมความเป็นทําอะไรของมัน เงินส่วนหัวถูแต่มันไม่ดูในตัวมันเองมันสูญเสีิทย่าาก็ตของกิเลเสิกอไียอีกมันงพูดสักคหนึ่ง่งมันลองูกันในเรื่องข้างนอกแล้วพวกค น, น, นกอองุงเยนกับชารือกับพทักสิทธินุยชนอะไรนเป็นต้นทงทีมยตัวเองมไม่มีควเสีภาคเแม้แต่นิดเดียวอยู่ข้างในถ้าต้องการจะได้เสียดีภาคชีวิตที่สงบเย็นเป็นอิสระหรือเป็นชีวิตที่เบาสบายอะแบั้นจะต้ตงมึดถึงกุฏิชา หรืน่วิ่งไปหาความรู้ของพระพุทธเจ้านะครับเกิดการดินตัดไปรู้การดินสอนการดินเป็นอยู่การดินตายการดินนะที่เคยถูกคนชนวนหนึ่งเอาวารายสาระดูถูกศึกษาดูถูการศึกษาทำมาในพุศาสนาวารายสาระไะเลัยไปเ็มืองมาเมืองมาไปเย็นอะไตวิเศษประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดนะถ้ามันมารู้เห็นผลสุดท้ายของการศึกษาแบบโลกโลกนาไม่มีอะไรนอกจากไปเพ้นให้มันโมลึกไปอีกให้มันมีความทุกข์ลึกไปอีกให้มันเสียอิสรภาพลึกลไปอีกมนดูไม่ออกเนนออกมาเป็นคน มีช <necessary. S 2> an like ีวิตอยู่ในระับนั้นมีภาระหนักของชีวิตเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยภาระหนักหนักไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้แต่จะเป็นอยู่ในร่างกายของตัวเองเนี่ยก็เป็นภาระหนักแต่าสมบัติเงินทองของเรือบุตรภรรยาสามีะก็เป็นภาระหนักเรื่องจากสังคมเป็นภาระหนักุูอย่างเป็นภาระหนักเป็นของหนักทบปิดใจเนี่ยเป็นกันอย่างนี้จนตายนี่เขาเรียกว่ามุขชนถ้าเม่อใดใครสามารถลดภงาระหนักนี้ลง้ลงลดลงลดลงจนไม่หนักเป็นเบาผิได้อย่างเป็นสุขสบายมี เปผู้มีความทุกข์เลยแล้วมันมีประโยชน์ที่สุดนะ่คือเป็นพระอระหรันต์รมกันข้ามสมุุจนที่เ็ไปด้วยความทุกข์เป็นชีวิตติณระเป็นชีวิตติเบตภาราะนะแล้วก็ชวนกันล้มอยู่ในทวาอย่างนั้นนี่เป็นเรืออ่องของต้มอยู่ในกองทุกข์ม อ, อยู่ในัะสงสารนั่นแหละคอย่างนั้นนะวคุณอยากไปดูถูกคาวัฏสงสารหควาติเบตความทุกข์โดยที่ไม่รู้มันคืออะไรถ้าคุณไปรู้เรื่องคาวัฏฏสงสารหรือติเบตหรืวางทุกข์ขยันดี่ล้วจะ ที่จะต้องศึกษาเพื่อกระจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียใ้มชีวิตนิดที่ไม่ต้องวินว่ายในัา ส, สารความทุกข์ชน์ดแห่งที่วามาแล้วมีชีวิตใหม่มีจิตใจให ม, ม, ใหม่อย่างที่ตามมาแล้วมไม่หมืดโดยความโลภไม่ร้อนโยความทุกข์มไม่สกยิเลแลวก็มันไม่เป็นธาตของสิ่งใดใดไปความยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นอย่างไรจิตใจนี้จะเป็นอย่างไรลองดูถ้าว่าทุกคนเป็นได้อย่างนี้โลกนี้จะเป็นอย่างไรมันก็ไม่รู้จากความทุกข์นันเองไม่รู้จากคำว่าความทุกข์ในความทุ ชาดืทไมเปตัวกูนเป็นอของกูเขารู้สึกอะไรมันมีความหามายลักษณะเป็นตัวกูของกูรมันหนักเท่าไรมันร้อนเท่าไรมันรกเทาไรมเอานเท่าไรไปรู้กันดีๆทำอย่างไรึงเป็นอย่างนั้นนี่คือตัวัรรมะวพทาสนาที่จะตอหาอย่างไรจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นคือเป็นชีวิตว ท, ที่ไม่มีม่มีความหนัก ม, มีความร้อน ม, มีความมดืดม่มีความสกปรปกไม่มีความเป็นธาตุของสิ่งใดมีแต่อิสรเสรีนี่จะสอนถ้าจะเรียนกันควรจะเรียนเรื่องนี้จะสอนกันเป็นจะสอนเรื่องนี้นี่เพราะพระเจ้าต ถ้าเราเรียนกันบ้างเรียนเรื่องนี้เรอกจากองทุกข์นีจะสอนอะไรกันบ้างก็จะนำสอนเรื่องออกจากของทุกข์เดี๋ยวนี้เราเนพื่อเจอสอนเเจอูเอเจอโเพอเจอรคไอรางมันเเจอนข้ามาในวงของการจิตจะจในความทุกข์เหล่านี้ลนี้มันก็ยิ่งเต็มไปด้วยปัญหาที่ติาตากับความทุกข์จนดูดูเป็นของธรรมดากไปทั้งหมดจนไม่มีใครละอายใครองเป็นอย่างเรียกกันไปทั้งหมดเป็นทุกข์เหมือนกันหมดเป็นาตเหมือนกันไปหมดวิเหนกันไปหมจนไม่รู้จัดละอายใครถ้าจะคิดมาก เกิดบาทีไม่เสียชาติเกิดจะต้องได้สิ่งดีดีที่สุดที่มนุษย์นจะได้แล้วก็ต้องศึกษากันม่เลยมีการศึกษากันมรู้ทัทางทั้งฝ่ายแล้วก็เือางฝ่ายที่มันอิสระหรือหลุดพ้นมันก็ยหลุดพ้นมีคำว่าวิมุตติหลุดพ้นนั้นไม่ใช่คำพูดของคนโง่ที่ด็กทำไว้นี่ย่างเป็นล้อเล่นแต่คำที่มีความหมายลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ที่มีสติปัญญาที่สุดที่จะทำชีวิตจิตใจนี้มันหลุดพ้นจากการบีบบังคับรอบน้ำดำดิบเท่ดนเหนื่อยของกิเลส เป็นความบ้าทางจิตใจทางการมาลุมพิษนั่นแค่ก็มีมันยัง world, ครความทุกข์อยากไปอยู่ในความทุกข์ไม่อยากจะหมดเกจากความทุกข์อย่างนี้มันก็ยังมีถ้ามันไม่รู้ความทุกมันเป็นอย่างไรถ้าว่าจะเอากันถึงขนาดี่พุทศาสนาต้องการก็ต้งไม่เป็นทุกข์เราต้องไม่เป็นทุกข์เป <im> ็นคนมีประโยชน์ที่สุดถ้าท่าเลยท้าล่าทาเทุกคนไปคิดเอาเองคิดเอเองไปจนกวาจะพบว่าอย่างไรจงจะไม่เป็นทุกข์มีประโยชน์ที่สุดปคิดกเองไม่ต้องขึ้นรถพุทธเจ้าไม่ต้องไปหารถพุทธเจ้าไม่ต้อง น่นจะตรงําที่พระพุทธเจ้าประสงค์ตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนตามที่พระพุทธเจ้าช่วยชัดโลกให้มันคล่ทุกข์นันคืออย่างนั้นอย่างในชีวิตนี่มันมีกวารทุกข์เลยแล่พราะเปนนั้นมันมีแต่การทาประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ทุกคนและทุกฝ่ายี่<อ>นีเพกันทังตัวพุทธศาสนาราทําอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยทาอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยนีข้อแรกจะทาอย่างไรจึงจะดูยมีประโยชน์ที่สุดไมว่าทีหลังในคาทุกข์มันเกิดมาจากความโลภเป็นข้อแรกเป็นลาดับมาโลเป็นลำดับมาลย ลืมตัว เ, เด็กคารุกเ่้ล่ า, าแล้วแต่ <c oughs> แตแตที่เคยมจากข้งแม่ไม่มีความทุกข์คิดเป็นทุกข์ไเป็นประเด็เ น, นั้นจะได้ไปสัมัสทางต า, าหูจมูลิ้นปาใจอะไรรู้จักของอ ร, อ, อร่อยอร่อยของอใจไม่ออยใจจน ล, ไล้ไในสิ่งนนันจงจะเป็นทุกข์ต้องใ า, าความโง่เอาวิชาามากถึงขนาดนั้นมันจึงจะเป็นความทุกข์ไม่ใช่ดโดยหลักนิเดียวก็ได้จะฟังหรือไม่ฟังรู้สึกแจ่เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ไม่ทราบว่าเรามีตาหูจมูลิ้นปานใจดูถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ ที่เามีตาูจมูพิ้นายใจมีสิ่งที่จะมากระทบตาหูจมูกิ้นายใจมันกระทบเขาแล้วท่นก็มีผลต้องการกระทบตองการรู้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไรรู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูรู้แจ้งทางมูรู้แจ้งทางริมทางกายหทางใจว่าเป็นอะไรนี่เรวิญญานเกิดขึ้นแล้วการกระทบทางอายตนะอายตนะทางใอตาูจมูิ้นาใจอายตนะทางมรู้แจ้งดะอมารมมถึงเข้ากันมันถเข้าเป็นผู้ผู้หรือวิญญาณวิญญาณทางตาทางหูวิญญาณทางจมูกการริ้ยเหนื่อยสามพุเนี่ยถึงเป็นอยู่ทางานอยู่ คือตารูปเราวิญญาณทางตาถึงกันอยู่3มอย่างนี้เรียวกว่าสัมผัสทางตาที่ในขณะที่สัมผัสอยู่ทางตานี่ยคนนั่นหสัตว์นั่นมันไม่มีความรู้อะไรเลยเลยมันก็ลงไปตามสัมผัสนั่นมันเป็นสัมผัสที่ไม่มีสติปัญญาเพาไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้แต่ในช่องก็ไม่ได้ศึกษาเลยมันก็ปลอยไปตามไปความไม่รู้ก็คอเวทนาที่เราทำใรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจอยเฉยเฉยคเวทนาเวทนาอย่างนี้ก็คือเวทนาโง่ทาไมเรียกว่าโง่เพราะไปเจอพอใจในสิ่งที่เราไม่พอใจจะไม่พอใจในสิ วเวทนาง่เวทนาที่ไม่มีสติปัญญาเวทนาที่เห็มันทำให้เกิดความอยากโง่ความอยากโดยความง่ควาอยากโดยนาจคามง่ที่กันหัถ้าถ้าถ้าเป็นที่พอใจมันก็อยากเอาอยากมีอยากได้อยากเป็นถ้าไม่เป็นที่พอใจมันก็อยากจะขาดเสียอยากจะทาลายเสียความอยากที่โง่ที่กระทัญหามันเป็นยากในสิงที่รู้สึกาความรู้สึกนี่เรียกว่าระันหันรือความอยากพมีความรู้สึกอยากตามธรรมชาติ่นั่นแหละารู้สึกว่าตัวูผู้อยากคตามตัวเองมธรรมชาติชีวิตคือปูผู้อยากปูผู้อยากอยากได้อยากมีอยากจะขาดเสียอยากจะไม่มีอะไร นี่จะไปยึดมันถือมันเป็นตัวคูของกูแล้วมันหนักหรือปัญหาแห่งตัวคูของกูมันก็ถือมารอยเป็นสิ่งนั้นขยายความออกไปก็คือว่ามันมีอุปทานวัตนของคนอยากได้มาเป็นของตนมีความคิดในจิตนิดนี้ก็จะเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วในความคิดนปจะเกิดภพชาตเนี่ยในความคิดพอมีความรู <anything> kind of ้ส <mel> <streamlined> ึก <t> ต <imes to share> ัวตนตัวนอะไรมาแล้วมันโง่ที่สุดแล้วอะไรนันก็จะเป็นของตนเป็นิงทมันพอใจที่มันไม่พอใจนั่นก็จะทำลายไปใสียผ่านคนเสียค่าเสียอะไรเสียสิ่งต่างๆที่เป็นมีความชป็นออกมาเป็น เดินทงเกความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นของธรรมชาติแล้วก็มาเป็นของตนจนในเป็นทุกข์ยิความทุกข์เกิดรีดมาเพราะมีความยึดถือความเกิดนถ้าจะไม่มีความทุกข์เลยต้องไม่มีความยึดถืออย่างนี้ทำอย่างไรถึงจะไม่มมีคือคอนของอุทธเจ้าที่นในรูปท่าทันตาหูหมในการใจวิญญาณรูปท่าทานยายันปัสสะยปัสสโง่นนสติสัมปชัญญะมีวิ ช, ชามาในการปฏิปัสสาะอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องศึกษาวิปัสสนากรรมฐานสุขมีสติมีวิ ช, ชาให้มากๆเพืชช่อนำทันเวลาที่มีปัสสาวะ ทาตนมันเดยเป็นความโง่มันต้อเป็นทุกชาติหนึงมันเป็นเรืสัญญาการมันมเป็นทุกันใทคานี้มีจะทาได้หรือไม่ได้นั่นอเรื่องหนึ่งคนเป็นมากไม่ต้องการเขาอยากดูกับความทุกข์อยากแรกเอาแตความทุกข์แลกเอาแตกความอร่อยเอาแตความทุกข์อยากที่เป็นเต็นทอยู่ไม่ถึงทุกอยากแรกเอาสิ่งที่น่ารักน่าใจด้วยความทุกข์กสมัครใจจะเป็นทุกข์นั่นก็เป็นอย่างนี้กันทั้งโลกถ้าไม่ต้องการจะเป็นทุกข์มันต้องทาอย่างตรงข้ามนั ถ้าไปบรไดาิตามนี้ามไม่มีทางทุกข์เลยจนขาดจนพ่ายรัันที่เป็นทุกข์แหละแต่คนหลังตั้งแต่เป็นเด็กงูโมาจนมาแบบนี้มันก็เป็นทุกข์ก็ไม่รู้แต่ต่อไปนี้มันจะรู้มันก็ไม่เป็นทุกข์ยิ่งขึ้นและจะไม่เป็นทุกข์เลยตลอดชีวิตรู้จักบำรงชีวิตชนิี่ไม่เกิดความที่มันถึงมั่นำรงจิตว่าในทางสายกลางทาทางสายกลางนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องมันทะเลาะเล่นว่ารอดย่กไปเล่นเป็นเรื่องของวัดวาอารามฉันไม่ต้องการในทางสายกลางมันเพราะมันรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป อากลาย่านี้พวกคุณอาจจะไม่เคยดินคอธิบายอย่างนี้้ครับมันคงจะเคยดินเียว่าอัติตอัรมาสุขันริการุโยกติมาานุโยกอย่างนี้ได้ก็ได้เหมือนกันแต่จำแตกความให้กนี่ยามมาสนรการุโยแล้วกมันไปหลงรักีมันน่ารักทำใเกิดอะไรทำลงไหลอัจิานุโยกในธรรมนยมทำให้บากเพราะมันรูปเป็น่ายทตกมข้ามฝ่ายนี่อ่มันชอบอย่างนั้นมันชอบความทุกข์อย่างนั้นอ่าก็มีอุปมาอีกอย่างเปียกว่าทุกข์ความทุ อ ย, beeping, อ, ยอยากให้ปียกแอยากใ้ไม่เตรียดมันอยู่ตรงกลางพูอย่างนี้ความยากเอาเอาทำได้ทำดังีนีดีกว่าให้อยู่ตรงกลางระกหวานกลางอย่างี้างศาสตรต่างก็คือมพูดสิทเป็นแต่อยู่ตรงกลางไม่เป็นความรักหรือเป็นความชังเลยๆทุกคู่ทุกคู่ที่เรียกว่ามันเป็นคู่ตรงกันภาพเช่นว่าแพ้เอาชนะนี่ัเป็นคําคู่คู่หนึ่งเราไม่อยู่แพ้หรือไม่อยู่ชนะแต่อยู่ตรงกลางคำาขดทุนหรือกาไรมันก็เป็นคาคู่คู่หนึ่งเ้าไม่ขดทุนไม่กไรแต่อยู่ตรงกลางเจอะทำอะลรยิู้สุดขึ้นไปว่าไม่ด ไม่ไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งช่วอยู่ตรงกลางคือไม่สุกไม่ทุกจะอยู่ตรงกลางไม่บุญไม่บาปจะอยู่ตรงกลางคือมันยึดมันถือมันความได้ไปยหนึ่งให้มันเป็นตัวตนถือมานจิจจในอยู่ตรงกลางไม่เคเรียกว่าติเป็นว่างมันยึดถือสิงไดไหวไม่กาอคุมกอรับสิงไดไวโดยความเป็นตัวตนของตนนั่คำาว่างน่แหละเป็นตรงกลางที่สุดนอกจากคําว่างแล้วมันก็มีคาเป็นสองความหมายมีเป็นกัตติปิเป็นกัตติถ้ามันยึดถืองฝ่ายนี่มันถึงว่างนั่นคำดับทุกข์มันจึง แต่ล้วมันคงจะ่าหัวใช่ไหมว่าไอ้ลงชั้นศึกษควพื่อกตันสนะกันทำไมแล้บางคนบางทีก็จะยังอยู่ในระดับที่เขาชอบชอบดีไม่ชอบชั่วแต่ยังชอบดีเาก็แบกดีไปเนก่จะไม่เอาทั้งชั่วทั้งดียังจะอยู่ตรงกลางทิ้งจไม่เป็นทุกข์เลยถ้ายังไปเกี่ยวข้อกับชั่วและดีอยู่ยัจะงเป็นทุกข์ระแบบของมันทิ้งจำไม่เป็นทุกข์เลยนะไม่มีความทุกข์เลยต้องยเนื้อควาไหมที่เป็นคู่คู่ค่เหล่า้หมดือไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่ขาดทุนไม่กำไรไม่ดีไม่ เกิดจ <S an> ิตมันไม่มีความทุกข์เลยป็นอิสระเป็นพระารานอ่ามันมาเกินไปลดลงมาเป็นชาวบ้านให้แต่ ก, ก, ตลล ก, ก็มีความทุกข์น้อยมีสติสมบูรณ์ไม่หลงรักหลงเกลียดเท่านั้นพอมันจะมีความทุกข์น้อยมีสติคอยระวังตัวอยู่เสมอไม่หลงลักมีสิ่งที่ย่ให้รักมไม่หลงเกลียดใส่งที่ย่ให้เกลียดนะไม่โกรธไม่กลัวไม่ทุกอย่างนะที่มันเป็นหนความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี่เยว่าไม่มีความทุกข์เลยมันก็หมดแหะมันมีท่านั้นแต่ตัวใจฟงที่นย่ก็หมายถึงก็ที่ว่านี่ประโยชน์อย่างยิ่ ข้อนี้มันหมายความถึงว่าผู้ที่ไม่มีคารทานยึดมั่นถือมันตัวตนของตนมันไม่มีความเห็นแก่ตัวยันนี้เรามีจิตที่เห็นแก่ตัวมันก็รักตัวหรือรักสิ่งที่จะได้มาเป็นประโยชน์ของตัวที่เรียกว่ารักชาติรักการนั่และแต่เอาชาติเป็นประโยชน์ของตัวมันจึงไม่รักชาติมันไม่ได้รักโดยแท้จริงหรือมันไม่ได้รักพ่อแม่หรือไม่รักใครโดยแท้จริงแต่หวังเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นมันจึงรักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวในจิตมันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวพอไม่มีความเห็นแก่ เมื่อเมือมันักผู้อื่นได้เดชะโนมัติอย่างใหญ่ลง่านี้มาทำประโยชน์ผู้อื่นนี่ยมันต้องสงสย่าจะขึ้นไว้างเป็นประโยชน์ตนเองมีประโยชน์ผู้อื่นถ้ามันมีคาไม่มีคาเนตัวในคนเห็นกตัวมันยังที่นอนได้ดีกว่าจะไปทำประโยชน์คนอื่นในเห่อทเห็นไม่ควรนอนดีกว่าเหนื่อคนที่เกียจไม่เนคนเนก่ตัวถ้ามันมีคาเห็นแกตัวก็สนุกในการทำงานที่เป็นประโยชน์นั่นเป็นประโยชน์ปุ๊เวลานาทีตัวเองไม่มีความพุ๊บและเป็นคนมีประโยชน์แก่ทุกคนแลทุกฝ่ายในเรื่องมันจบเนี่ยเขาไปพูดอย่างอยา เดี่ยน้มันพูดตรงๆพูดประหยัดเวลาลเพราะว่ามันมีเวลาน้อยแล้วเพราะว่าอาหลาย่ามันจเคัญไม่อยากให้เวลาตัดเวลาศาสตรมนิดเดียวล แ, แต่เวลาาเราอยาง อ, างอื่นมากกว่านี้มันก็ถึงตรงลัดนพูดัดพูดสัดดด้นอไกบ้างก็งขอขให้จาไว้เลยลเดี๋ยวนี้นั่งกางดินก็ว่าธรรมะเกิดจากดินศาสนาเกิดขึ้นมาจากการที่เสยนั่การดิ น, ดนกรรู้เรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติการจะมาสอนเรื่องธรรมชาติเรื่องปวดของธรรมชาติเรื่องหน้าที่เรื่องวดของธรมชาีเรื่องคนเกิดทำหน้าี่ซึ่งร รธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเร <no ื่องผลเกิดจากหน้าที like ่ถ้าเราเป็นว่ามคงจะชอบดินกันบ้างนะที่แนี้คงจะชอบดินกันบาัหดินกันบ้างดินมันจะได้พูดต่อผูให้ว่าอ่าล้มไหลกันไปนะ่าโลมกนักอยากมนักกรดินมันจะพูดอย่างนั้นต้นไม้จะพูดอย่างนั้นก้อนดินมันจะพูดอย่างนั้นจต่ถไปนสถานที่เริ่มลมไม่มีใพูดอย่างนี้เูดแนล้มไหลมากขึ้นไม่ชอบธรรมชาติคือชอบไปทันจริงเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งเป็นตัวเองเนื้อโลหะของธรา เป็นลติทำหนาที่ทางปองทั้งเนทั้งตัวทัาีอยู่นี้ี่อย่างนี้มันก็จไหลเจริญอกงานถึงที่เลือดเลือดเห็นกันดนี้เป็นตัวธรรมชาติแม้ของธชาติะอวัยวะนั้นทำอย่างนั้นอวัยวะนี้ทอานวัยวะนี้เราขยายอย่างน้เป็นโคตอย่างนี้เป็นโครองธรรงชาติมื่อการทำหน้าที่ทของอวัยวะทุกอวัยวะไปทั้งกองคนทั้งนะคนทั้งหมดทั้งคนนี้เป็หน้าที่ในการโครของรชาติมัมีผลเกิดขึ้นในตัวเมนทุกอยู่ที่เน้อติดตัวน ไม่มีความพุกเลยเป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าิมันสูงจนมาขนาดนี้แล้วมันไม่มีความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดเป็นศัตรูร้ายที่สุดของมนมุษย์ความเห็นแก่ตัวนันเเป็นาเห็นแก่ผู้อื่นโดยอนุโมทตเองามหนแก่ตัวดึงว่านีรักผู้อื่นเหอื่นเพราะาเห็นแก่ตัวหมดไปมันก็รักผู้อื่นผู้อื่นโดยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กกันและกันอยากจะพูดว่าแม่แต่สัญชาตญาณบานสิ่ที่มันถูกเก้าเนี่ยมันก็ต้องการจะช่วยผู้อื่นแต มีการช่วยซึ่งกันและกันชาต่รัชานมีความที่มันถึงมันน้อยพรามันโง่มันยึถอ ม, มันเันั้นมันจึงมีความเห็นแต่ตัวน้อยนะาติรัชานมันยากช่วยตัอื่นถ้ากายตัวนึงเห็บกเห็บเกาะอยู่ที่งอนไกรมให้กายัวหนึงิคุณม่เเรื่องกายคุณไม่เคยเหแต่ที่เราเห็นทุกคนังกายทุกตัวไม่มีเห็บที่งอนมันจะกกไม่ได้หรอแต่วนนี้กายตัวอื่นจะคอยจิกข้างในแม้แต่ชาติรัะชานที่มีความเห็นแต่ตัวน้อยมันคม่ทำประโยน์แก่ผู้อื่นในขนาด อาปสนใจเรื่องีมนุษย์นในนากนะครับท่านสนใเรื่องความเ็นแก่ตัวเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมนมากหน่อยมันจะทารูปทารอยกัธรรมชาติจะเป็นไปการสลายออกไปเองคิเลสเป็นเหตุเกิดทุกมันก็ไม่ดีความทุกสบา่มีความทุกทราที่จะช่วยนนี่เป็นโกกสอาเมตทําแบบของระเจ้าไม่ใช่โกกสอาเมตัาแบบของพวกวซาหรือฝ่ายไส้เลยฝ่ายคนนี้เขาก็มีโลกโลกกสีอาเมตัันมเขาพูดเป็นคะอย่างเลยนะโลกกระ ของศาสนาคือไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความพุกเพราะความเห็นแก่ตัวก็ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นความสนุกไปเลยโลกนี้คือโลกที่ทควจะอยู่ในข้าหมานี่นี้คนในโลกไม่ได้มีป่าหไม้อย่างนี้แม่องค์การสาธารชาติก็จะไม่เคยนึกฝันถึงเรื่องนี้แต่อยาพูดมา ก, กเลยมันจะเล่าวทดูผู้อื่นนพูดเนะพดยว่าคนในโลกแม่องค์การที่มีสติปัญญามีกลังมีอำนาจก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้ยติลายความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ให้มาเป็นจักรโลกเราพูดมาขออคุณแล้ว ทางโอกาสทีที่มีนี่ขอแสดงความยินดีที่ได้มานั่งกลางดินพูดกันแล้วขอขอบคุณทุกคนที่สมใจฟัง